มข้อที่หนึ่งสัมมาทิฏฐิความสำคัญของสัมมาทิฏฐิดังพุทธพจน์ต่อไปนี้ภิกษุทั้งหลายเมื่อดวงอาทิตย์อุทัยอยู่ย่อมมีแสงอรุณขึ้นมาก่อนเป็นบุพนิมิตชันใดสัมมาทิฏฐิก็เป็นตัวนำเป็นบุพนิมิตเพื่อการตรัสรู้ตามเป็นจริงซึ่งอริยาาสัจ4ี่ประการชันนั้น ภิกษุผู้มีสัมมาทิฏฐิย่อมเป็นอันหวังสิ่งนี้ได้คือจักรู้ชัดตามเป็นจริงว่าทุกข์คือดังนี้เหตุให้เกิดทุกข์คือดังนี้ความดับทุกข์คือดังนี้ปฏิปทาให้ถึงความดับทุกข์คือดังนี้ภิกษุทั้งหลายบรรดาองค์มรรคนั้นสัมมาทิฏฐิเป็นตัวนํา สัมมาทิฏฐิเป็นตัวนําอย่างไรด้วยสัมมาทิฏฐิ ị, จึง ร, รู้จักมิจฉาทิฏฐิว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิรู้จักสักสมมาทิฏฐิว่าเป็นสัมมาทิฏฐิรู้จักมิจฉาสังกัปปะว่าเป็นมิจฉาสังกัปปะรู้จักสัมมาสังกัปปะว่าเป็นสัมมาสังกัปปะรู้จักมิจฉาวาจาสัมมาวาจามิจฉากัมมันตะสัมมากัมมันตะจนถึงมิจฉาสมาธิ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 จึงพอเหมาะได้เมื่อมีสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะจึงพอเหมาะได้เมื่อมีสัมมาวายามะสัมมาสติจึงพอเหมาะได้เมื่อมีสัมมาสติสัมมาสมาธิจึงพอเหมาะได้เมื่อมีสัมมาสมาธิสัมมาญาณหรือสัมมายานจึงพอเหมาะได้เมื่อมีสัมมาญาณสัมมาวิมุตติ จึงพอเหมาะได้โดยนัยยะดังนี้แหละพระเสกค่ะผู้ประกอบด้วยองค์8จึงกลายเป็นพระอรหันต์ผู้ประกอบด้วยองค์สิบคำว่าจึงพอเหมาะได้แปลาจากปะโหติซึ่งอาจแปลว่าจึงพอแก่การหรือจึงใช้งานได้ก็ได้ ให้สังยุตตนิกายมหาวรารวักและอังคุตระนิกายทสกานิบาศกล่าวลึกลงไปอีกให้เห็นว่าในขณะที่สัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าในบรรดาองค์มรรคทั้งหลายแต่วิชาเป็นหัวหน้าในการประกอบกุศลธรรมทั้งหมดรวมทั้งเป็นที่มาของสัมมาทิฏฐิด้วยพร้อมนั้นอวิชาก็เป็นหัวหน้าฝ่ายอากุศลธรรมและเป็นที่มาของมิชาทิฏฐิ พุทธพจน์อีกแห่งหนึ่งว่าข้อที่ภิกษุจะทำลายอาวิชชายัางวิชาให้เกิดทำให้แจ้งซึ่งนิพพานได้ด้วยทิฏฐิที่ตั้งไว้ชอบด้วยมัคคะภาวนาที่ตั้งไว้ชอบนี้เป็นสิ่งที่เป็นไปได้นั่นเพราะเหตุใดก็เพราะตั้งทิฏฐิไว้ชอบแล้วเราไม่เล็งเห็นธรรมะอื่นแม้สักอย่างหนึ่ง